Book 2 6หกสิห้าการปฏิเสธสองเนกแหวนวงนี้แพงไหมคะดาลีเยพรสตนสกูป ไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึง่งร้อยยูโรเนอันค่าใชแต่ายเมีค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะมมสสคุณเสร็จแล้วใช่ไหม ไม่ยังไม่เสร็จค่ะเนย์ยูชนยแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ ali ิซมอุสโครอ์โกอตอฟกอตโคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะเจะลิชลียชูชซุเปไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะเนย ไม่ใช่แต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะอาลียอชย์ยแดนสลัดเลคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะสแตนอเอชลเวชดูโว์ดไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวนเทยซ แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว poznajем mnogo คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะไม่คะ่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ ne, แต่วันอาทิตย์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 แต่เธอมีแฟนแล้วนะอาลีอนาเวชอีมามอม ก, กรุณาไปที่ www. b o o k t o de สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด